แล้วก็บางทีก็บริโภคโภชนะที่เรียกว่าวันหนึ่งบางทีเจดวันเนี่ยทานฉันครั้งหนึ่งบางทีก็โนู้นแหละแบบนู้นครึ่งเดือนและกินครั้งหนึ่งก็มีบางทีก็กินแต่ผักก็มีบางทีก็กินแต่หญ้ากับแกกินลูกดือยกินเปลือกไม้กินสาหร่ายบางทีก็กินแต่รำบางทีก็กินแต่ข้าวตังข้าวสารหัดกินหญ้ากินขี้วัวก็มีประเภทกินขี้วัวในอยู่ด้วยอาหารคือลูกลูกขี้วัวเนี่ยนะอ่า ลูกระหว่าลูกขี้วัว น, นี่เหมัอนขี้แต่เป็นวัวเล็กๆไงนะแล้วก็บางทีก็กินรากไม้กินผลไม้ในป่านะไว้หนักกับนักหนังมังสวิรัติเยะเนี่ยนะเนี่ยนะแขนะนะ่งกับพวกนักมังสวิรัตริธรรมดาเยอะมากบางทีก็นุ่งห่มผ้า ป, ป่านผ้า ป, ป่านก็คือผ้าเหลือกไม้นั่นแหละบางทีก็นุ่งผ้าเชือกันบางทีก็ไปเอาผ้าที่ไปเก็บจากซากศพนั่นะแหละมาพันตัวใช้ผ้าคลุกกระดานกรองนุ่งห่มผ้ากำผมกำโพ กำพลผมคนเนี่ยนะหมายถึงว่าเขาตัดผมทิ้งแล้วก็ไปเก็บเก็บมาแล้วมาถักเป็นเครื่องนุ่งผมเรียกว่าผ้าผมคนเนี่ยก็อบอกว่าในบรรดาผ้าทุกชนิดผ้าเลวที่สุดในจํานวนผ้าที่มีในโลกคือเอาผมของคนเนี่ยมาถักเป็นผ้าแล้วมานุ่งเนี่ยเรียกว่าสุดยอดของผ้าชั้นเลวก็อบอกว่าทาไมยามร้อนน่ยมันจะร้อนที่สุดเลยเอาผมคนมานุ่งนะแล้วก็บอกหน้าหนาวนี่เย้ จะเยือกว่าอยงนั้นเขาบอกว่าผ้าชั้นเลียวที่สุดคือผ้าที่ทําด้วยผมคนนะเสร็จแล้วก็บางทีก็ใช้ผ้าขนสัตว์ผ้าขนหางสัตว์บางทีก็เอาปีกนกเข้ามาต่อต่ อ, ต อ, ต อ, ตอเคยเคยเห็นไหมพวกอินเดียนแดงอ่ะ น, นะก็จะเอาขนสัตว์เนี่ยมาถักถักถักแล้วก็มาห่มอ่ะประเภทนั้นอนะ่ะแล้วพวกนี้ถอนผมและหนวดไม่ใช่ตัดธรรมดานะถอนก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นเข้าแต่ก่อนก่อนดูสารคดีก็มีเรื่องนลย พวกถอนผมนี่เขาถอนอยังไงจับถอนจับถอนเลยไหมเขาบอกว่าใช่เอาขี้เท่ามาขี้เท่ามาก็มามาลูบหน้าแบบถ้าเราฟอกสบูนะ่ไหมเราจะเวลาโกนหนดลลวดโกนอะไรเราก็จะใช้พวกอะไรนะพวกฟองสบู่พวกอะไรก็มาแล้วก็โกนใะชพวกนี้เอาขี้เท่ามาหนวดเครามันยาวคี้เท่ามาลูบลูบให้ขนปับ๊บแล้วก็จับแล้วก็ดึงเลยดึงควักควักขึ้นมาเนี่ยนะน้ําตาไหลเนี่ยนะบางทีเนี่ยคำว่าปอเอ่อพวก หนังเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นแว่นเป็นแว่นเลยนะดี๋แล้วก็ดึงแบบดึงไม่ปราณีปราศัยด้วยนะดึงแล้วเขน้ําตาไหลพากแล้วก็มีความสุขไม่หนี้วยนะ mm hmm. ก็ยอมให้ดึงแบบแม่ดึงเยี่ยมมากอันนี้แค่ว่าธรรมดา mm hmm. เขามีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าขุดหลุมให้นั่งแล้วให้โผล่มาแต่หัวเนี่ยนะโผล่ข้างบนมาแต่หัวแล้วก็นั่งทับบนแผ่นกระดาษแล้วถอนผมเพราะเดี๋ยวมันต่อซุยแล้วก็ถอนผมแล้วเขาก็ยอมเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็น เป็นลทัทธิที่พิเศษมากนะเขาจะาจะได้ดิบได้ดีเขาจะไปสวรรค์ใตอะไรเป็นต้นแอันนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าแบบนยพระไตปดกเขียนขึ้นมาเฉยไม่มีบอกปัจจุบันนี่แหละมันดูไม่กี่วันนีเองนะว่าถอนผมน้ำตาไหลพระเอาขี้เท่าเนี่ยมาทาแต่ก็จริงอ่ะนะเขาามาเคยถอนขนสัตว์บางพวกเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาขี้เท่าเนี่ยมารูปๆมันจะได้จับแล้วมันจะไม่หลุดอ่ะนะ จับเมื่อมันมันมันอ่ะล้างมันที่โถที่ขนออกแล้วก็จับแล้วก็ดึงดึงดึ ง, ด, งดึงออกมาง่ายนี่ผมเงินกระตกทีเงาเขาว่าปลอยเอออะไรนะหนังนี่นนนมันหลุดออกมาเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นเลยเนี่ยทอนนวดเนี่ยหนวดธรรมดาเนี่ยจับแล้วไม่ใช่สองเส้นนะจับเป็นกระเกระชากออกมาเนี่ย น, น้ำลายไหยน้าําตาไหลพากเลยแหละขนาดอายุาามากๆกันแล้วนะแล้วมีมีใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มันงอกอก อ, อกไหมอีกก็ทําอยา่างนี้อีกกท็ทอนออกมาอีกกระตกออกมาอีก พวกนี้บางทีก็ประกอบความเพียรในการถอนผมถอนหมวกอถอนหนวดเนี่ย น, ะ ย, นะยืนกระยองห้ามการนั่งไม่ยอมนั่งเลยนะกระยองอย่างเดียวเนี่ยนะยืนไม่เต็มเท้าเนี่ยนะบางคนก็เลยยืนขาข้างเดียวก็มีเดินกระยองประกอบความเพียรในการเดินกระยองประกอบความเพียรในการยืนบางทีก็เดินบนหนานอนบนที่นอนที่ทําด้วยหนามเนี่ยนะ อันนี้ก็เมืขาก็มีรูปจริงเอาน้ํามากองกองกองกองสมแล้วก็ไปนอนเนี่ยนะนอนท้า บ, บางพวกก็กํามือซะเล็บเนี่ยเล็บเนี่ยทะลุหนังก็ทํำพวกนี้ทุกทั้งในปัจจุบันหรือบางทีพวกนี้อยู่ในวัดในการอาบน้ำเนี่ยนะนอนบนที่นอนที่ทําด้วยน้ําประกอบความเพียรในการอาบน้ําอาบน้ํำมาละสามครั้งบ้างเนี่ยนะแต่เขาเขมีแบบคาถาของเขาเนะี่ยเาท่องรูปของเขาไล่มนใหญ่เหมือนกันแล้วก็ลงไปอาบน้ําล้างบาปออกไป ใช้ชีวิตให้เร่าร้อนเดือดร้อนโดวยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าบอกอย่างไม่เกรงใจเราวระเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกไอ้ชาตินี้ก็ทุกทุกสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมชาติหน้าไปนรกต่ออีกไงมันมันมนั่นเรียกว่าอะไรนะพ่ายแพ้ทั้งสองโลกเลยนะั้นโลกนี้ก็พ่ายแพ้โลกหน้าก็ปราชัยเนี่ยนะนี่เรียกว่าธรรมสมทานการกระทําที่ปัจจุบันก็เป็นทุกข์ ผลแห่งการกระทาเหล่านี้ต่อต่อไปก็มีแต่ความทุกเนี่ยนะที่นี้อย่างที่สเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกแล์ละแต่อนาคตเป็นสุขก็บอกว่าการถือมั่นหรือธรรมสมาทานที่ปัจจุบันเนี่ยทุกมากแต่ต่อไปให้ผลเป็นความสุขเป็นไฉนาบางคนในโลกนี้ปกติเป็นคนที่มีราคะรุนแรงแล้วก็เสวยทุกโทมนัตที่เกิดจากราคาเหนื่ง หมายคือว่าบางคนเนี่ยมีราคะรุนแรงมากบางทีจนไปเสียศีลเสียธรรมออกมาอาจารย์ครัวอาจารย์ก็โลงพันธกรรมก็เดือดร้อนน้ําตาไหลนั่นแหละบางพวกมีโทสะรุนแรงเสวยทุกโทมนัทที่เกิดจากโทสะเนี่ยเป็นคนขี้โกรธมากๆเลยนิดๆหน่อยๆก็ร้องให้น้ําตาไหลเนี่ยน ะ, ะ ก, ก็เคยเห็นพระเนรบางรูปเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพราบวชเข้ามาแล้วใครว่าอะไรนิดๆหน่อยๆก็น้ําตาลองหน้าอาบแก้มอยู่นั่นแหละเสียอกเสียใจ เรียกว่าโทสะรุนแรงเนี่ยนะปกติบางคนเนี่ยโมหะรุนแรงสเสมอทุกทุกโทมนัสเพราะโมหะเนี่ยนะก็อย่างว่าคนที่มีกิเลส ร, รุนแรงเนี่ยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรับผิดชอบอะนะท่านไม่ปล่อยให้เรากิเลสกำเริบเสืสามหรอกท่านก็ชำระเรานั่นแหละเนี่ยนะด้วยการลงโทษด้วยการลงธนธ น, นกรรมโดยวิธีการ ต, าต่างๆแก้ไขพัฒนาจนเราได้ดีนะ เพราะฉะนั้นแต่ว่าไอความที่ตัวเองเนี่ยมีกิเลสแรงเนี่ยนะก็เลยทุกโรมนัดร้องให้ทั้งน้ำตากลาวว่ามีน้ำตานองหน้าสู้ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลทั้งน้ำตาเจริญส ม, มถาวิปัสสนาคละเคล้ากับน้ำตาแต่ก็ไม่ยอมไปทำชั่วนะกล่าวว่าสู้อดสู้ทนเนี่ยนะด้วยความทุกข์ยากลำบากเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะรักษาศีล ใครเคยรักษาอุโบสถจนน้ำตานองหน้าบางหี้เนี่ย น, นะแต่ก็กทนเนี่ยนะเหี้แต่ก็ทนอ่ะปวดเมื่อยบางทีบางคนเนี่ยนั่งนั่งเจริญนั่งฟังธรรมนั่งอะไรเป็นต้นเนี่ยปวดเมื่อยจนน้ำตาแต่ว่าก็ยังสู้นะแต่บางคนเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเขาก็อดเขาก็ทนของเขามากแต่ก็ก็เดือดร้อนในปัจจุบันแต่ว่าให้ผลต่อไปนี่เป็นทุกข์ขอไปให้ผลเนี่ยเป็นสุขที่จะมีต่อไปในอนาคตเพราะตัวเองนี่กิเลสมีกําลัง อันนี้เรียกว่าปัจจุบันนี้เป็นทุกข์แต่ให้ผล ต, ต่อต่อไปนี่เป็นสุขเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างเงี้ยพระบางองค์ในร้องไห้บ่อยมากเลยเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปทาอาคุสน้่นเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เสียใจก็รู้ว่าดีทําไม่ดีนะแต่ว่ามันก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วก็มานั่งเสียอกเสียใจเนี่ยนะพวกนี้แหละก็เรียกว่าทุกข์ในปัจจุบันแต่ต่อต่อไปก็ให้ผลเป็นสุข ทีนี้สิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขด้วยปฏิบัติในปัจจุบันก็สบายแสน จ, จะมีความสุขเนยนะต่อต่อไปก็ให้ผลเป็นความสุขก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนมีราคะรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกโธมนัดเพราะราคะเป็นเหตุปกติไม่ใช่เป็นคนที่มีโทสะที่รุนแรงเพราะฉะนั้นไม่เสวยทุกโธมนัดที่เกิดจาก โทสะปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีโมหะที่รุนแรงก็คือเป็นคนที่มีปกติไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่งูเนี่ยนะฉลาดก็ไม่ต้องไปเสีย อ, อกเสียใจอะไรเพราะความงูเข่าบบาปัญญาตัวเองเนี่ยนะเขาก็พวกนี้สามารถที่จะเจริญปฐมฌานเนี่ยนะปฐมฌานสงังอาจจากกามสงังอาจจา ก, กาุสุากการธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเข้าเพราะสงบระงับวิตกวิจารเข้าถึงตัดเข้าถึงทุติยะฌาน ที่มีความผ่องใสในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิเข้าตาติยะฌานเข้าจตุทะฌานพวกที่กุศลรธรรมเจริญเนี่ยนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริไอ้ความที่อะโลพะอโทสะ อ, อโมหะของเขาเนี่ยมีกำลังหมายว่ากุศลจิตเนี่ยแรงกล้าผู้นี้ฟังธรรมก็มีความสุขเรียนพระธรรมก็มีความสุขเจริญสมถะก็มีความสุขเจริญวิปัสสนาก็มีความสุขจนสามารถบรรลุมรรคผลเป็นต้น พวกเหานี้เนี่ยปัจจุบันก็สบายและต่อต่อไปก็ให้ผลอย่างมีความสุข น, นี่ยนะอันนี้เรียกว่าธรรมมสมาทานมีอยู่สประเภทด้วยกันอย่างที่หนึ่งสุขปัจจุบันทุกต่อไปอย่างที่สองทุกปัจจุบันแล้วก็ทุกต่อไปอย่างที่สามสุขทุกปัจจุบันสุขต่อไปอย่างที่สี่สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อไปที่นี้ ส, ja. สิ่งที่น่าสนใจอยากจะเอามาพูดบ่อยมากก็คือว่าคนที่ทำไมบางคนราคะรุนแรงมากบางคนทำไมโทสะรุนแรงบางคนทำไมโมหะรุนแรงบางคนทำไมอะโลภะเนี่ยเขามีกำลังไม่ติดอะไรเลยบางคนนี่ <'Yes' S 1> ทำอะไรให้ก็ไม่โกรธบางคนนี่ฉลาดจริงๆเลยทำอะไรมาเนี่ยนะก็มาไล่ดูเขาบอกว่าเขาจิตนิสัยว่าราคะโทสะโมหะรุนแรงหรือไม่ อยู่ที่กรรมนิยามเนี่ยนะเพราะว่าในขณะสั่งสมกรรมเนี่ยนะหรือกรรมนิยามเนี่ยนะในหน้า366กเนี่ยนะผมมาจะเอามาว่าโดยสรุปนะเพราะในนั้นก็แปลตกแปลหลน่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะถ้าใค ร, ใค ร, ใค ร, ใครอ่านรู้เรื่องก็ถือว่ามีบุญมากนะถือว่าโหทําบุญอะไรมาเนาะฉลาดจังเลยเลยนะจริงก็ต้องดูฉบับภาษาบาลีแล้วจะรู้เรื่องดีก็จะกล่าวสรุปสรุปว่าเขามีอยู่แปดอย่างด้วยกันนะถ้ามาแบ่ง ก็คือข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยนะมาแบ่งสรุปว่าทั้งหมดในนั้นนะแบ่งออกเป็น8ข้อประเภทที่หนึ่งบางคนเนี่ยนะโลภเขามีกำลังมากอโทสะอโมหะไม่มีกำลังเอขอไปอะพราะโลภอโทสะอโมหะนีม่มีกำลังอโลภโทสะโมหะมีกาลังเพราะฉะนั้นบุคคลเราเนียอันนี้พูดถึงตอนทาบุญน่นะอดีตชาติตอนทาบุญเนี่ย ทำบุญด้วยจิตใจที่โลภอย่างรุนแรงตอนทำบุญเนี่ยโลภมากแต่ก็มีเมตตาแต่ก็ฉลาดเพราะเวลาบุญนั้นเวลากรรมที่เขาทำมันให้ผลนะเขาจะเจอชาติหลังมาเขามีนิสัยที่โลภมากแต่มีความสุขใครดา่ายังไงก็ไม่โกรธแล้วฉลาดแต่โลภเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเป็นคนโลภมากเลยนะแต่ไม่โกรธใครพูดอะไรพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจยังไงก็ไม่โกรธ แล้วฉลาดด้วยนะรู้วิธีการแต่ว่าโอ้โหความโลภเนี่ยนะถมมาเถอไม่มีพอไม่มีเต็มเนี่ยนะคือคือเป็นคนมักโลภมากเป็นคนที่มีความสุขไม่ขี้โกรธไม่หงุดหงิดฉลาดเนี่ยนะมีปัญญาแต่ความโลภไม่มีประมาณเนี่ยนะพวกนี้เพราะอะไรเพราะตอนทํากรรมเนี่ยทำด้วยเจตนาที่คเครียกว่าอะไรนะอกุศลที่เป็นประกอบการทําบุญ ก็อย่างสังเกตดูเวลาคนทำบุญบางคนเนี่ยโลภจริงๆเลยนะขอขอขอออุ้ยไม่รู้สารพัดขอเนี่ยนะไอ้ขอประเภทที่เรียกว่าขอไม่ได้ไม่ได้คือขอรูปขอเสียงขอกลิ่นขอรสขอแบบเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ถ้าเจตนาตัวนั้นมันให้ผลในอนาคตเนี่ยเขาจะพอเป็นหรือเนี่ยนะความต้องการเขาจะจบลงที่ไหนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมักโลภเป็นคนที่มีความสุขและแต่ว่าเป็นคนที่มีปัญญาฉลาด อันนี้นี่เป็นพวกกลุ่มที่หนึ่งนะก็บอกว่าเป็นคนที่เป็นคนมักโลภมีปกติอยู่เป็นสุขไม่โกรธเป็นคนมีปัญญามีปัญญาเหมือนเพชรคาว่ากันนะแต่กลายเป็นคนยอดคนสมองเพชรไปในฉลาดมากส่วนกลุ่มที่สองพวกนี้เนี่ยนะตอนทําบุญระหว่างทําบุญเนี่ยโลภก็แรงโทสะก็แรงแต่ฉลาดเวลาบุญให้ผลเนี่ยเป็นยังไง ไอ้กรรมที่ตอนทนะําน่ยกรรมชนิดนั้นมันให้ผลนําเกิดกลายเป็นคนมักโลภขี้กโกรธแต่ฉลาดเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้ยโลภมา ก, นนะกเนี่ยนะขี้โกรธเนี่ยแรงมากแต่ฉลาดเนี่ยนะโหดีมากเลยเนี่ยนะไอ้คนประเภทนี้ก็มีพวกที่สองพวกที่สามเนี่ยนะตอนทํากรรมเนี่ยโลภแรงอะโทสะเนี่ยแรงแล้วก็โมหะเนี่ยมากเพราะงั้นพวกนี้เวลากรรมมันให้ผล เป็นคนที่โลภ ก, ก็ามากไม่โกรธเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสุขไม่โกรธแต่โง่โลภ ก, ก็แรงไม่โกรธแต่โง่คนแบบนี้ก็มีในโลกนยะถามว่าดูจากอะไรทําไมเวลาวิบเขาเหตุที่เขาทําอ่ะตอนที่เขาทํากรรมมันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนเขาทํากรรมเนี่ยโลภเขาแรงมากแต่ว่าอโทสะเขาแรงเพราะฉะนั้น อโทสะเป็นเห็นให้เขาสบายแต่โมหะตอนนั้นมีกำลังเพราะกรรมมนั้นเป็นปัจจัยกลายเป็นคนมักโลภโง่แต่ก็สบายไม่โกรธะนะใครด่าดานั่งด่าซ้ำาคืนก็นั่งฟังได้หมดอะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะ mm hmm. พวกที่สี่เนี่ยนะพวกที่สี่บอกว่าพวกนี้โลภะ โ, โลภะโทสะโมหะเนี่ยนะอูยแรงเนี่ยนะทบุญเนี่ยบางคนนี่ตอนทําบุญเนี่ยสังเกตดูนิสัยบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริง โลภะก็แรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงเพราะฉะนั้นนิสัยทั้งขี้โลภมักโกรธเนี่ยนะโง่ก็โง่โกรธก็มากโลภ ก, ก็เยอะเนี่ยนะอย่างนี้ก็มีอีกนะแต่ก็เป็นมนุษย์ได้นะเพราะบุญมันก็บุญก็ให้ผลนําเกิดเป็นมนุษย์อะ่ะแต่ว่าจริญนิสยัยจะเป็นแบบนี้อย่างที่ห้าอันนี้อะโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงพวกนี้ไม่ติดในอารมณ์แม้กระทั่งอารมณ์ที่เป็นทิพนะ แต่เป็นคนโกรธง่ายแล้วก็งูไม่ติดอะไรไม่อยากได้อะไรไม่โลภไม่อะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่าโกรธก็แรงโง่ก็โง่เนี่ยนะอันนี้ก็มีคนแบบนี้ก็ไม่ใช่น้อยไม่อยากได้อะไรสักอย่างแต่ว่าที่โกรธและโง่ด้วยบางคนเนี่ยอะโลพะแรงอะโทสะแรงแต่ว่าโมหะนี่แรงกลายเป็นคนอะไรไม่โลภไม่โกรธแต่โง่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็มีพวกที่สี่ อาขอไปพวกที่เจ็ดพวกที่เจ็ดนี้อโลภะแรงโทสะแรงอะโมหะแรงคนประเภทนี้เนี่ยเป็นไงเขาเป็นคนที่มีปกติไม่โลภขี้โกรธแต่ฉลาด น, นะองไม่โลภขี้โกรธแต่ฉลาดนคนอย่างนงี้ก็มี แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะอโลพะอโทสะอโมหะนี่แรงเพราะฉะนั้นเวลากรรมมันให้ผลเขาก็มากไปด้วยเป็นคนที่อะไรไม่โลภไม่ไม่ไม่โกรธแล้วก็เป็นคนฉลาดเนี่ยนะก็พื้นฐานปกติแล้วแต่กรรมที่ทำเนี่ยนะกรรมเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเพราะฉะนั้นตอนที่เรามานั่งฟังธรรมเนี่ยนะโยมดูแล้เล ย, เลยว่าชาติหน้าเราควรจะมีนิสัยยังไง ดูบ้างไหมดูดูออกไหมชาติหน้าควรจะเป็นยังไงอยพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่าตัวเองจะเกิดราศีอะไรราศีขี้โกรธขี้โลภขี้หลงราศีแบบอันไหนก็พยากรณ์ตัวเองได้หมดแล้วว่าควรจะเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่กรรมตอนที่ทําบุญนี่แหละจริตนิสัยคนเนี่ยทั้งหมดแล้วรวมๆแล้วมีอยู่แปดกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะแปดกลุ่มทวนอีกครั้งหนึ่งนะข้อหนึ่งโลภะแรง อโทสะอโมหะก็แรงข้อ2โลภะแรงโทสะก็แรงอโมหะนี่แรงข้อที่3โลภะแรงอโทสะแรงโมหะก็รุนแรงข้อ4โลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงอันนี้แหมเลวสุดเลยนะแต่ก็เป็นคนมาได้ข้อ5้าบอกว่าอโลภะเนี่ยแรงโทสะก็แรงโมหะก็แรง ข้อหอะโลพะแรงอโทสะแรงแต่ว่าโมหะก็แรงข้อเจอโลพะนี่แรงโทสะแรงอะโมหะนี่แรงข้อ 8. ดอโลพะอะโทสะอะโมหะแรงแปล ว, ว่าดีดีเยี่ยมเลยนะข้อ8ดเนี่ยดีมาก ก, ก็มีอยู่แปดกลุ่มนะ ก, ก็นิสัยคนเนี่ยจะแบ่งไปตาม8ดกลุ่มว่าจริตนิสัยคนเป็นคนมักโลภมักโกรธหรือว่า มักหลงเป็นต้นเนี่ยก็ดูได้จากกรรมที่ทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาในเรื่องกรรมและผลของกรรมมากๆพวกนี้จะเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิแล้วจะบอกได้เลยว่าคนเนี่ยเกิดชาติต่อไปเนี่ยถ้ากรรมอันี้ให้ผลนะมันจะเป็นยังไงนิสัยจะเป็นยังไงก็เรียกว่าเรียนวิชาพยากรณ์เลยว่ากรรมและผลของกรรมที่จะมีต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็วิชาผูกดวงว่าเราจะเกิดดวงประเภทไหนราศีอะไรก็ทํากรรมเอาละกันเนี่ยนะ เขาก็มีอยู่ประมาณแปดกลุ่มอะ น, นะแต่ว่าในในฉบับแปลนี้เขาแปลไม่ค่อยดีเนี่ยนะเช่พอนมันก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยนะเจริญด้วยอโลภะอะโทสะและอะโมหะที่มีกำลังเนี่ยนะขอให้มีปกติที่ไม่โลภมีเมตตาแล้วก็เฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาเนี่ยนะได้รับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติปฏิบัติตอนให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะ ปันจุฬธรรมมาสมาทานสูตรก็คงกล่าวแต่เพียงเท่านี้ส่วนพรุ่งนี้มาขึ้นมาหาธรรมาสมาทานสูตรเนี่ยนะรื่องซึ่งเป็นสูตรยาวอ่าสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็สวดมนต์นะ